หรือว่าถ้าเกิดมาแล้วจะเป็นยังไงอ่ะนี่ยทุกติดตามนอนเกลือกกลัวอุจาระปัสสาวะเป็นต้นนะทุกแบกกระเป๋าเข้าโรงเรียนทุกพระครูตีเนี่ยนะทุกพ่อแม่ตีทุกพ่อไปเล่นทุกพ่อเนี่ยนะเจอครูดูๆเขาก็ยุ่งเหมือนกันนะกฎหมายสมัยใหม่ก็แอบอกกฎหมายไม่ให้ครูตีเด็กแล้วอนั้นันก็ว่าทุกที่ตามที่เกิดมาแล้วใช่ไหม ทุกที่เกิดจากกวนขวายของตนประกอบอาชีพนะทุกเพราะทำมาหากินทุกเพราะแสวงหาอาหารเนี่ยนะทุกเพราะแสวงหาเครื่องนุ่งยม่อนุ่งห่มทุกเพราะแสวงหาที่อยู่อาศัยทุกเพราะเก็บเงินเก็บทองเก็บโน่นเก็บนี่ทุกเพราะรวบรวมแผ่นดินทุกเพราะโอ้สารพัดทุกอะไรเกิดมาแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บปีกต่างหากแล้วก็ทุกเพราะตัวเองทําเองบ้างทุกคนอื่นทําบ้างทุกกายบ้างทุกใจบ้างทุกเพราะไม่เที่ยงบ้างทุกเพราะว่า ความสุขที่หมดไปบ้างะนะความทุกข์ของบางคนก็คือหมดความสุขมันเองไม่ใช่ไม่ทุกข์หรอกมันโ<น>ง่ถต่อย่างมันอยู่ได้หมดนะโง่ <c oughs> ถต่อย่างเดียวนะอยู่ได้หมดอะทนได้หมดอะนะใช่เขาบอกว่ามีคนโบราณนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนฉลาดมานะคนทั่วไปจะไม่รู้ว่าตัวเองมันโง่เนี่ยนะ พวกพีการทั้งหลายนะถ้าสมมติทุกคนเนี่ยขาด้วนเหมือนกันหมดนะถ้าไม่มีคนขาดีมาจะไม่คิดว่าตัวเองพิการหรอกเนนะพวกตาบอดขึ้นมามันบอดกันทุกคนมันจะไม่นึกว่าตัวเองพิการเนี่ยนะนี่ก็เป็นลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกเพราะเนี่ยพอทุกอะไรบ้างอ่ะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันเนี่ยนะโรคฟันนี้ถึงก็มีคณะต่างหากเลยนะ คณะทันตแพทย์เนี่ยนะคิดดูนะเอ้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฟันเนี่ยจะมีคณะต่างหากพิเศษเลยนะคิดดูนะแพทย์เนี่ยมีคณะอื่นแยกไหมคณะที่ที่แยกออกมาเลยนะมีเนี่ยคณะทันตแพทย์เนี่ยโรคฟันในสแสดงว่าใหญ่มากแยกคณะเลยคิดดูะคณะอื่นไม่มีแยกนะก็ะมีแ บ, แบ่งแบ่งแบ่งกลุ่มกลุ่มไปเท่านั้นเองใช่ไหมยังเอาฟันนี่ใหญ่มากนะเพราะเครื่องมือในการกัดการกินนะเนี่ย ก็โรคฟันนี่ก็ถอนมานักแล้เนาะโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดไข้ทรพิษเสื่อมซึมโรคในท้องโรคสลบโรคในท้องกบพวกโรคกระเพาะโรคลำไส้นั่นแหละโรคบิดโรคจุกโรคเสียดโรครักโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากมองครอบมองครอบคือกลุ่มโรคเอทเนี่ยนะลมบ้ามูโรคหิตเปื่อยโรคหิตด้านคุธราชหูดไม่รู้เนี่ยนะไม่มีก็กลุ่มเนี่ยพร้อมแห้งเลย และพวกโรคเอจนี่อ้อนวนั้มไม่อ้วนนั่นแหละพวกเอ่อพวกหิดเปื่อยหิดด้านคุธราศโรคหูโรคละลอกคุธราศบวมโรคอาเจียนเป็นเลือดดีกำเริบโรคเบาหวานเริมผุพองฤๅสีดวงเนี่ยนะแต่ถ้าสมัยนี้เขาบอกว่าโหเด็กคนหนึ่งมีสิทธิ์พันแปดร้อยโรคน่ะคลอดออกมาปั๊บ หรือเกิดในคันปั๊บเนี่ยติดจากแม่ทันทีเลยเชื้อเนี่ยพันแปดร้อยโรคแต่ทีนี้ว่าดูว่าอะไรมันจะกำเริบก่อนกำเริบหลังกันนะอะไรบ้างมันป่วยไม่ได้ในการเนี่ยไม่มีอนะก็จริงจริงแล้วนะแล้วโรคแต่ละคนเหมือนกันหมดไหมเหมือนโรคในโลกนี้สรุปว่ามีกี่คนก็มีเท่านั้นโรคนั่นแหละแล้วในคนคนเดียวก็เป็นได้อีกสารพัดโรคเพราะฉะนั้นโรคในโลกนี้มีเท่าไหร่ก็ถ้ายังมีขันห้าก็มีโรคอย่างนี้แหละแต่มีโรคก็มีฝีมีลูกซ้อนมีน้องอย่างนี้แหละ แล้วก็ยังมีอ า, าพาธที่เกิดจากดีเสหะลมสันนิบาตฤดูแปรปรวนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะความเพียนเกินกำลังนะเช่นทางานหนักเกินไปเนี่ยนะเดินมากเกินไปหรือว่าโรคที่เกิดจากผลของกรรมหรือตอนนี้ก็ความหนาวใช่ไหมกลางคืนก่อนหนาวกลางวันก็ร้อนถึงเวลาก็หิวก็หายอีกแล้วพอแก้หิวด้วยการกินกระหายด้วยการดื่มเนี่ยนะ เดิมมากก็ปวดปัสสาวะกินมากก็อุจจาระแล้วนะกินพอดีก็ยังปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเขาหมุนเวียนอย่างนี้แหละนะมันจะใครก็ช่างแต่เกิดมาก็ต้องหนาวก็ต้องร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเหมือนกันหมดแหละนั่นนะแล้วก็ทุกที่ถ้ามาอยู่ป่าเนี่ยนะก็สัมผัสจากหลูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเดี๋ยวก็เหลือบมันก็กัดยุงมันก็กวนแมลงมันก็ตอมนะเดินจงกลมก็อยากไงนะเล่นงานไปเรื่อยหรือมันก็ไม่เท่านั้นนะมันยังมีทุกพระแม่ตายก็ทุกพ่อตายก็ทุก พี่น้องชายตายก็ทุกพี่น้องสาวตายก็ทุกเนี่ยนะใครมั่งที่คนเรารู้จักที่เรารักมากๆแล้วตายแล้วไม่ทุกข์มั่งมีไหมล่ะลูกตายก็ทุกลูกชายตายก็ทุกลูกสาวตายก็ทุกทุกเพราะความชีพหายญาติเนี่ยนะต้องพลัดพรากจากญาติไปอยู่คนเดียวก็ทุกเหมือนกันล่มจมก็ทุกเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเนี่ยนะก็ทุกนะหมดพ่อกทรัพย์เสียหมดแก้วหมดแหวนหมดเงินมทองหรือว่าถูกโรคครอบงําก็ทุกเนี่ยนะ คนไข่เนี่ยยิ้มเลยใช่ไหมมีความสุขเป็นยังไงไหมมีทุกทั้งนั้นเหรอนะเพราะโรคไดเกิดนะปวดฟันไปหาหมอเนี่ยิ้มตลอดเลยนะมีไหมหมอไม่มีนะคนไข้ที่จะไปถอนฟันแล้วยิ้มแย้มแจ่มไสมีความสุขกันนะไม่ใช่เลยส่่ฟันอ่าพอใส่ฟันเสร็จยิ้มกลับไปเลยใช่เพราะสวยแล้วนะหรือว่าคนเสียศีลเป็นยังไงคุณชูถ้าศีลขาดเลยนะเนี่ยนะก็ยิ้มไม่ออกเลยนะทุก มันทุกข์เพราะเสียศีลหรือว่าทุกข์เพราะมิจฉาทิฐิเนี่ยนะสมมุติว่ า, อาพอสั ม, มาทิฏฐิเกิดขึ้นรู้ว่าตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทุกข์ไหมโอ้ยทุกข์เพราะผลที่เสียหายทิฏฐิก็ทุกข์มากเพราะฉะนั้นนะะทุกข์ก็ติดตามนรชนนั้นไปทุกข์มันติดตามยังไงอ่ะท่านบอกว่าเหมือนน้ําไหลเข้าสู่เรือที่รั่วแล้วฉะนั้นเห็นไหมเคยเคยขึ้นเรือไหมเรือที่มันขึ้นนะั้น พน้ําเนี่ยไหลซึมเข้าเรือที่รั่วแล้วคือซึมเข้าตามเข้าไปไหลเข้าไปแต่ที่นั้นนั้นย่อมซึมเข้าไปซาะเข้าไปไหลเข้าไปข้างหน้าบ้างไหลไปข้างหลังบ้างข้างท้องบ้างข้างข้างบ้างฉันใดอันตรายย่อมติดตามเพราะอันตรายเหล่านั้นนะอันตรายทั้งปกปิดทั้งเปิดเผยใช่ไหมอันตรายเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกก็ติดตามไป ไปตามบุคคลนั้นคือชาติทุกชราทุกปยาที่ทุกขมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาทุกทุกเพราะเกิดในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกอยู่ในครันทุกเพราะเกิดในคันตั้งอยู่ในคันคลอดจากคันทุกก็เกิดมาแล้วทุกเกิดจากธรรมมาหากินทุกเพราะปวดกายปวดใจทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะแปรปลวนไปเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บอาพาธสารพัดเนี่ยนะทุกเพราะสัมปโยชนทุกวิประโยชนทุกปราถนาไม่เสียมหวังก็เป็น ทุกสรุปว่ามีอะไรเป็นทุกเนี่ยเยอะไปหมดขันท่าที่นั่งๆกันเนี่ยตัวทุกเราบ้างั้นเดอนนะถ้าไม่มีตัวนี้มันจะทุกไหมนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีรูปนามขันท่ามันจะทุกไหมถ้าเราไปตัวนี้มันคือตัวทุกจริงๆเลยนะเอาตัวทุกหรือตัวเราเอาสาธุนะถ้าตัวทุกกันนะถ้าตถ้าเป็นตัวทุกก็หวังได้ว่าจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกใช่ไหมแต่ถ้าตัวเราเอาไว้ก่อน ถ้าตัวทุกเนี่ยหวังได้เลยว่าจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกเนี่ยถ้าตัวเราก็เลี้ยงให้มันดีบำรุงให้ดีส่งเสริมแหมเราอ่ะนะอะไรจะเท่าเราอ่ะไม่มีหรอกก็คือเวลาถ่ายรูปนะเราจะดูใครก่อนถ้ารูปมู่รุมีเราอยู่ด้วยเนะย <c oughs> ดูเราก่อนนละยโอ้อะไรของเราเหรอถ้าเรามีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้นด้วยนะเราจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะถ้าไม่มีเราออกสิทธิ์ออกเสียงเราจะใช้ยึดขนาดนั้นนะให้เราเนี่ย ฉนั้นผู้ที่มีเราอย่างนี้ก็เท่ากับมีอะไรมีตันหา mm hmm. เพลิดเพลินในกองทุกข์น่นนะถ้าเพลิดเพลินในทุกข์หวังได้ว่าจะเลี้ยงทุกข์อยู่นั่นแหละ mm hmm. นี่นะก็บำรุงเลี้ยงลูทุกข์เพราะฉะนั้นกิเลสไม่มีกําลังครอบงํานรชนนั้นอันตรายก็ย่ํายีนรชนนั้นเพราะอันตรายเหล่านั้นครอบงามาทุกข์ก็ติดตามเหมือนเรือเข้าไปสู่เรือที่รั่วฉะนั้นถ้าอยู่ในท่ามกลางทะเลนะถ้าเรือมันกำลังรั่วกําลังปรีกําลังแตก น้ำกำลังไหลเข้าไปนะถ้าไม่แก้ปัญหานะหวังได้ว่าเฝ้าสมุดแน่เฝ้าเฝ้าเฝ้าน้ำแน่นะคนที่ใช้เรือก็จะรู้นะมันกิเลสทั้งหลายทุกครอบงาท่วมทับอะ่ะชีวิตก็เลยเต็มไปด้วยภาระเหมั้นตเต็มไปด้วยความเดือดร้อนน่ะเหมือนมีรถและถังน้ำมันรั่วนะวิ่งไปหน่อยก็อ้าวเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยยางรั่วไงนะถังน้มันรั่วยางรั่ว น้ำมันเบรกหมดเป็นต้นเนี่ยก็เสียหายนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนํามาซึ่งความเดือดร้อนทั้งนั้นเนีันผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนะที่ไม่ทุกข์ไม่มีหรอกไม่ทุกอันหนึ่งก็ทุกอันหนึ่งนะไม่ทุกเพราะเรื่องภายในก็ทุกเพราะเรื่องภายนอกนะไม่ทุกจากภายในภายนอกก็ทุกเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ทุกเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็เรื่องลูกเรื่องหลานไม่ทุกเรื่องลูกเรื่องหลานก็ทุกเรื่องประเทศชาติเนี่ยนะก็มีเรื่องเอาจนทุกข์จนได้น่ะนะถ้าเกิดมาแล้วนะที่ที่จะไม่ทุกข์ไม่มีอะ คือทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะแต่ถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยทุกเหล่านั้นก็เกิดจากอะไรไขันท่าเนี่ยนะถามว่าไอ้ความสักทุกทางกายทุกทางใจเนี่ยนะก่อนจะมาเป็นทุกมันเป็นอะไรมันก็เป็นความสุขใช่ไหมเพราะขนขณะไหนที่มีความสุขอะรู้ว่าถ้าสุขเหล่านี้สุดจบสินนะ้นอะไรจะเกิดก็ทุกเนี่ยนะก็ทุกต่อนะก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาทุกนะให้ดีใจเธอว่าเดี๋ยวเราจะสุขแล้ว ถ้าทุกข์ขึ้นมาก็เสียใจเลยนะเดี๋ยวเราจะทุกข์อีกนะเนี่ยเอางั้นไหมนั้นภาษาดิบบทท่านจึงบอกว่าให้เห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เหมือนกับลูกศรเห็นอุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะนะถ้าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์จะสงบราคะถ้าเห็นทุกข์เหมือนลูกศรจะสงบโทสะเห็นอุเบกขาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะสงบโมหะเพราะถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะในเวทนาทั้งปวงในทวารทั้งปวงในอารมณ์ทั้งปวง เขาก็จะเป็นผู้สงบเที่ยวไปก็จะเป็นพรหันเนี่ยเที่ยวไปอย่างสบาย mm hmm. เนี่ยนะคาถาที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะที่บอกว่ากิเลสนะผู้ที่ปรารถนาเลือกสวนไรน่นาแก้วแว่นเงินทองสตรีพวกพ้องเป็นต้นอะ่ะแล้วก็ปรารถนากามอย่างอื่นอีกมากมายเพราะปรารถนาอย่างนั้นเนี่ยกิเลสก็ครอบงําใช่ไหมอันตรายก็เกิดพออันตรายเกิดทุกข์ก็ติดตามเข้าไปคาถาแรกนะที่ปรารถนาเป็นอัศทะใช่ไหมเท่ากับการแสดง สมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เสร็จแล้วก็บอกว่ากิเลสก็เล่นงานอันตรายก็ปรากฏทุกข์ก็ติดตามอันนี้ประกาศทุกขสัตว์เนี่ยนะที่ไม่เที่ยงมันคาถาต่อไปก็จะเป็นอะไรมรรคสัตร์กับนิโรสัตว์คือ น, นิสสารณะอันนะพักสนิดกันนี่ก็ผ่านไปห้าคถาแล้วนะเออ นี่มาขึ้นนิสรณะบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงเว้นขาดกามทั้งหลายครั้นเว้นขาดกามเหล่านั้นแล้วพึงข้ามโอคาได้เหมือนบุคคลวิทน้ำในเรือแล้วไปถึงฝั่งฉะนั้นน <c oughs> อันผู้ที่เกิดมาก็ควรจะมีสติใช่ไหมคําว่าสติตรงนี้เนี่ยประกาศถึงการกล่าวอริยมรรค แองค์ละโดยยกสัมมาสติขึ้นเป็นประธานานะอันผู้ที่มีสติอย่างนี้ก็สตินี้เกิดร่วมตั้งแต่ศีลสติเกิดร่วมในสมถะเกิดร่วมกับวิปัสสนาเกิดร่วมกับอริยมรรคอริยผลอันผู้ที่มีสติเกิดร่วมกับสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะก็เป็นการเว้นขาดจากกามด้วยสมถะวิปัสสนา น, นะ แต่ว่าจะเด็ดขาดจริงๆก็คือสติที่เกิดร่วมกับอริยมรรคนั่นแหละจึงจะเว้นขาดได้จริงๆครั้นเว้นขาดกามด้วยสมถาวิปัสนาอริยมรรคอย่างนี้แล้วก็ข้ามโอคะสี่คือกามโมคะทิทโขคะนั่นแหละข้ามกิเลส ท, ที่จะพาให้จมลงในวะะัฏฏะผันผู้ที่ข้ามอย่างนี้ก็เหมือนกับคนที่วิทน้ําในเรือแล้วก็ไปถึงฝั่งฝั่งในที่นี้เป็นชื่อของพระนิพานนั่นแหละ เริ่มอธิบายตามลําดับคําว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยนะคือผู้ที่เกิดมาอย่างนี้นะคำว่าเพราะเหตุนั้นก็คือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะนิทานนั้นสัตว์ผู้เกิดมาเมื่อเห็นโทษในกรรมทั้งหลายเพราะเหตุนั้นก็คือเห็นโทษในกรรมเหมนะเห็นโทษทั้งกิเลสกรรมเห็นโทษของวัตถุกรมเมื่อเห็นโทษอย่างนี้เลยนะสำหรับผู้ที่เกิดมาใครบ้างที่เกิดก็พวกเราทั้งหลายนั่นแหละ ไปแก่สัตว์นรชนมานบบุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้มีกรรมมนุษย์ก็คือเราเท่านท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะนั้นเมื่อเกิดมาอย่างนี้พึงมีสติในการทุกเมื่อนีการไหนบ้างล่ะในการทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงในการทั้งปวงตลอดการเป็นนิดตลอดการยั่งยืนตลอดการนิรันตะก็คือสืบเนื่องกันไปตลอดกาละเป็นอันเดียวกันตลอดการติดต่อตลอดการเป็นลําดับตลอดการไม่ขาดระยะ ตลอดการไม่มีระหว่างตลอดการสืบเนื่องตลอดการไม่ขาดสายตลอดการกระชั้นกระชิดเห็นไหมสำหรับผู้ที่จะเจริญสติต่อเนื่องนะต้องเจริญแบบนี้อทั้งก่อนพัดหลังพัทเห็นไหมก่อนอาหารหลังอาหารเจริญเหมือนกันปฐมยามมัชชิมยามปชิมมยามก็เหมือนกันเห็นไหมคือกลางวันกับกลางคืนอ่ะเหมือนกันไม่ต่างกันข้างขึ้นข้างแรมเหมือนกัน15้าวันแรกกับ15วันหลังก็ต้องเหมือนเดิม ฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนก็เหมือนกันปฐมวัยมัชชิมวัยปัจฉิมวัยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสัตว์ผู้เกิดมาเนี่ยพึงมีสติในการทุกเมื่อเนี่ยนะมันก็ต้องมีสติแบบเนี้ยตลอดการทุกเมื่อ ก, การทั้งปวงยั่งยืนนิรันดร์ เ, เกี่ยวเนื่องกันติดต่อโดยลําดับไม่ขารยะสืบเนื่องกระชั้นชิดไม่ว่าจะเป็นก่อนอาหารหลังอาหาร ปฐมายามมาชิมายามปัจฉิมายามข้างขึ้นข้างแรงฤดูนาวฤดูร้อนฤดูฝนปฐมวัยมายมชิมวัยปัจฉิมวัยเนี่ยส ร, ปรุปแปลแท้แท้เงี้ยเวลาตลอดเวลาไม่เหลือขณะไหนก็มีสติหมดนะนะอย่าลืมนะอย่างสติในสูตรก่อนก็คือที่เป็นภายในศีลเป็นภายในสมถะสติที่เป็นไปกับวิปัสนาสติที่เป็นไปกับมรรคผลเนี่ยนะที่สามารถแทงตลอดทันิี่ผ่านได้ ทีนี้ผู้ที่จะมีสติมีสติได้ยังไงก็คือมีสติคือเจริญสติปฐานคือการตามเห็นกายในกายอยู่นะนะตามเจริญเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีสติใช่ไหมก็คือมีสติเจริญสติปฐานส